จกักรพรรดิูช็อกเลยช็อกเลยเอา้าทำไมท่านว่าอย่างนั้นนะขณะนี้ที่คาพูดของท่านพูดน้อยทำให้จิตของข้าพเจ้าขุ่นมัวแล้วนะเพราะว่าเป็นเป็นอุบายศึกบทถามบารุงของผู้ในพทธศาสนาถ้าจะแสดงอํานาจอะไรมาตรงทื่เป็นจกักรพรรดินี่จะสั่งตัดหัวได้เลยใช่ไหมถ้าโดนเขาพูดแบบนี้แต่ด้วยไว้ลายของผู้บทถามบารุงพุทธศาสนาอ่ะ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 ก็บอกว่าตีสไปแล้วไม่ต้องให้ทหารโคนสนิทใดไปคนเดียวน ะ, ะท่านก็แน่เหมือนกันท่านโพธิธรรมท่านท้าแล้วเพราะท่านก็เป็นลูกกษัตริย์มากใช่อนไปคนเดียวรับคำท้าก็ไปถึงตีสก็ปรากฏว่าท่านพุทธิธรรมถือไม้เท้ารออยู่ที่หน้าวัดรอวัดแล้วก็เชิญเข้าไปบอกว่าท่าน นั่งอยู่ที่แล้วก็หาจิตให้เจอถ้าเจอเมื่อไบอกข้าพเจ้าจนกว่าจะเจอหาดูว่าเพราะว่าถ้าทานหาจิตยังไม่เจอน่ะท่านจะชาระจิตได้อย่างไรใช่ไหมโอ้หอสอบใหญ่แล้วที่นี้ก็ปรากฏว่าท่านก็นั่งลงไปนั่งดีสี่ท่านพุทิธรมก็นั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆแหละ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 มองโกทิเบตก็ไปอีกแบบหนึง่งของของเราไปอีกแบบเป็ น, เ, ปนเทราวาตออกมามิกกเลโล ก, กบุริซุมพุทธศาสนาที่มิกกับรัฐที่ท้องถิ่นก็ออกมาเป็นไซยาสตัตใช่ไหมถ้าหากว่าทั้งสมท่านของพระพุทธท่านหลวงพ่อชันหลวงเทีนไม่เกิดขึ้นในยุคนี้เนะี่ยแทบจะหมดหวังเลยแล้วก็จะเกิดปัญหาอยู่เนียตลอดไปปัญหาการบ้านการเมืองสศรกิสังคมการเมืองอะไรต่าง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 ศิละปะต่างๆที่ท่านโพธิธรรมเข้าไปนำเข้าไปเผยแพร่เนี่ยตอนหลังท่านก็ประยุกต์เรื่องการเคลื่อนไหวออกมาเป็นศิละปะต่างๆของจีนเช่นชีกงยิบนา ส, สติกโยคะไทชิตๆล้วนมาแต่ต้นกําเนิดคือการเคลื่อนไหวของท่านโพธิธรรมเท่า น, นั้นกลายมาเป็นวัฒนธรรมของคนจีนปัจจุบันนะไปถึงญี่ปุ่นเกาหลี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 แต่มันถูกมิกผสมผรสานตามแยกหน้าที่ออกไปใช่ไหมเมื่อแกลามาเป็นขนมนั่นขนมนี่ร้อยขนมพันขนมก็ไปจากอันเดียวคือแป้งหรือข้าวเหมือนกันอารมณ์ต่างๆที่มีร้อยอย่างพันอย่างก็ไปจากตัวรู้อ่าทีนี้ตัวรู้มันไปมิกกับภาพก็เป็นนา ม, มารูปใช่ไหมก็แยกไปเรื่อยๆเพราะนั้นถึงมาตั้งต้นที่ตัวรู้ตัวรู้มีจิตไหม เป็นตัวรู้ๆไม่มีจิตตรงนี้เขาเรียกว่าสุญยะตามาจากคำว่าสุกับยาตามภาษาบาลีนะยาแปลว่ารู้ยานะแปลว่ารู้เราม่ใช้คำว่าสัญญาณเยอะรู้สุแปลว่าชัดชัดเจนสุญยะตาแปลว่ารู้ชัดชัดเมื่อรู้ชัดชัดแล้วจิตไม่มีอยู่ในนั้น รู้ชัดใช่เขาว่าสุ ญ, ญีตาใช่เขาว่าปัญญาเช่นปัญญาแปลว่ารู้ชัดใช่ไหมเวลาเราสวดอิมัสเกวระสะทุกขคันทัสะอันตะกิยาปัญญาเยทาติทำฉไนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสินี้จะพึงปรากฏชัดเพราะฉะนั้นปัญญาแปลว่าปรากฏชัดเดิมรักเดิมของเขานะแปลว่าปรากฏชัดปรากฏ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 คือค่าความเป็นคนคนไม่ชอบคิดปฏิสธสมมติใช่ไหมเพราะองคุลิมานฆ่าค น, นถึงได้บรรลุธรรมว่างั้นไปนู่นเลยนะเไปฆ่าบางคนว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เราจะได้บรรลุธรรมภาษาอีสานอ็เลฆ่าพ่อตีแม่คือหมายความว่าพ่อเราคือใครอวิชาแม่เราคือใครตันหาฆ่าตันหา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 ใช่ไมแต่พอเราตัดสัญชาติยานตัดสัญชาติออกให้เหลือแตยานก่อน oh, ที่จะเปล tissues, ี LLC, ่ยนต้องรู้ก่อนว่าเพราะอะไรจึงเปลี่ยนอ่าแล้วขณะที่มันปวดอยู่ขณะนี้หนักแค่ไหนทํำลายกายหรือทำลายจิตเบียดเบียนกายเบียดเบียนจิตหรือเปล่าตรวจสอบก่อนการลักษณะเข้าไปตรวจสอบด้วยการใช้อะไรใช้โยนิโสหรือใช้ปัญญาและตัวชี้เป้าคือตัวสติที่เรากําลังยกเนี่ยถ้าเราไม่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 <c oughs> เพราะการลักษณะปฏิบัติมันมีสี่อย่างขอ <c oughs> <c oughs> โทษอันแรกเรียกว่าทุกขาปฏิปทา <c oughs> ทันทาพิดาปฏิบัติยากลาบากแล้วก็รู้ช้าคือสมถะใช่ไ้มแล้วก็ทุกขาปฏิปทาขิปปิญญาปฏิบัติยากรู้เร็วอันที่สามสุขาปฏิปทาทันท า, าิปฏิบัติง่ายแต่รู้ชา้าอันที่สี่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 อยากจะให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมอันนี้คือปัญหาดิเา ว, วดีไว้ยูริน n ินไวยัวฉันจะได้เดินเข้าวิญญาณ especially the early morning very really important you know the ไอวินทองหรือเธอเลยวิญญาณเธอดังนั้นเรื่องเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้อง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 มันกลายเป็นละเอียดทันทีเลยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นในบุคลากรที่เป็นโยมเนี่ยเอามาเพิ่งมาเห็นอาการการสอนละการสอนอาจารย์ธีรยุทธ์ที่สามารถลําดับเรื่องเหล่านี้ได้ไดชัดเจนที่เป็นรูปธรรมได้ข่าวว่าจะเชิญมาวันสองวันนี้ใช่ไหมครับ ต, ติดต่อได้ไหมวันที่กำลัอองเชา้าคผมจริดมาใหญ่ให้เป็นช่วงบ่ายมากกว่านะเจ้าองเจ้าเช้ชานะ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 นี่อาจารย์ท่านเมื่อวานมาแวไปฝากหลวงพ่อไปเจออาจารย์จาํำชื่ออาจารย์ไม่ได้แล้วนะอาจารย์ผ่องเข้าไปก็คือต้องการไปดูว่าไอ้แป้งดำปึงมันมาจากไหนหลวงพ่อก็ตามไปตามไปไปเจอต้นโรมอยู่ที่นั่นนะไปเจออาจารย์ผ่องพอดีนักศึกษาของท่านมาพอดีก็นี่มลหลวงพ่อเข้าห้องไปชวนหลวงพ่อเรียนศิลปะอุ้นพอสนใจมากจะเรียนศิลปะอาจารย์ผ่องนะคือเรียนการวาดรูปนะ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 เขาบอกคนนั้นไม่ตกนรกแล้ ว, ลวเราเจริญสติไปสติเริ่มคงที่ห้าสเปอร์เซนคนนั้นทำโลกกลลงให้เบาลงแต่ว่ายังมีากามาราคาปฏิฆาอยู่บ้างาคนไหนจเจริญสติไปถึง8ปดเซคงที่นะถ้าจะลดลงไม่ต่ำกว่า 80% บปรไปื่อยร้เปรือลงเหลือเปอร์เซ็นเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ไม่คงที่นะ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 ที่สามารถแยกพุทธศาสนาแบบมิกบุริซึมแล้วก็เพียวบุริซึมออกจากกันได้ระหว่างสมมุติแล้วก็ลักษณะนี้มันเป็ี่ยนกับเมืองไทยมาหลายหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันปีแล้วจนกระทั่งเกิดโพุทธรรมแห่งประเทศไทยขึ้นหลวงพ่อส ม, มุูรณ์หลวงนะพ่เทียนเป็นโพนุทธรรมแห่งประเทศไทยอาจารย์เซนเหนึ่งสยามแล้ว น, นี่นะอาจารย์ซิวก็ อ, อยากจะให้พวกเราได้เริ่มต้นณนะตรงนี้ไปแล้วก็อีกหลายศตวรรษข้างหน้าก็อาจจะ